ก็ของนักปฏิบัติของพระนี่ต่างกันไหมนะซึ่งวันนี้เราจะให้พระท่านได้เราประสบการณ์การเก็บอารมณ์ว่าการเก็บอารมณ์ ม, มีเทคนิคส่วนตัวอย่างไรเนี่ยอันนี้สําคัญคือถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีความเข้าใจบางอย่างที่จ้างกติกาให้กับตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างยาก <c oughs> ที่มาใช้คำ ว, ว่าอธิษฐานนะมีความตั้งใจมีกติกาอและบางอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะทำแบ่งเวลาครั้งละคืึชั่วโมงครั้งละ15บนาทีกะเวลาไว้ก่อนว่าจะทำ ท, ท่านี้เท่านี้ตื่นเท่านี้นั่งเท่านี้แต่ละท่าเท่านี้แล้วก็พยายามที่จะ ต่อเวลาเอาถ้าตั้งเวลาไว้เยอะมันก็จะท้อหรือรอคอยแต่ถ้าตั้งเวลาไว้น้อยมันก็ดูเหมือนว่าไม่พอนะซึ่งตรงนี้วันนี้เราจะได้ฟังประสบการณ์ของท่านสงบนะให้เก็บอารมณ์มาบ่อยนะทั้งส่วนตัวทั้งส่วนแคมป์ส่วนค่ายนะซึ่งใน การเก็บอารมณ์นั้นมีเทคนิควิธีการอย่างไรในส่วนโดยของท่าน น, นจะรอให้ฟังเผื่อว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยบางคนอาจจะนําไปใช้ได้นะเพราะว่าแต่ละคนสําหรับผู้กลุ่มกลางและกลุ่มใหม่นีนถือว่ายังไม่เคยแต่ผู้กลุ่มเก่าหรือกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็โอเครู้จักวิธีทําเำะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้พระท่านเราให้ฟังของท่าน สงบบ้างท่านตังบ้างท่านเอฟบ้างแต่ว่าเจ็ดนี่ลองดูว่ามีเวลาเท่าไรหร่ก็เล่าเท่านั้นเริ่มที่ท่านสงบงก่อนอก็กระหล่อมพอเนาะก็เป็นประธานก็ โอกาสพระพิสุสงทุกโลกจเจ ร, ริญพรญาติโยมก็ปกติเนาะปกติก็คือการเคลื่อนไหวแล้วก็ใจก็ตามรู้นะครับก็หลวงพ่อท่านที่พูดเป็นประสบการณ์เนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถามว่าพระกับโยมต่างกันไหมก็ต่างในสิ่งสมมุติเนาะก็จงเชินห่มผ้าหรือว่า การเคลื่อนไหวมันจะกระดกกระเดกไม่ได้ก็ต้องมีสำรวมแต่ปรมาจก็คือจิตใจมันจะไม่ต่างกันคือความรู้สึกนะครับมันจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่การเจ็บอารมณ์แบบไหนจะให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นใหม่ๆมใหม่ๆ ม, มันก็เขาเรียกว่ามันความละเอียดหรือว่าความเ ย, ยบคายมันจะก็ไม่ค่อยมีนะครับผ้าก็ใหม่ๆก็ มันจะเป็นไม่ต่างกับโยมที่มาใหม่ๆไม่ต่างกันนะครับมีอาการต่างๆ เพราะตอนนี้ใส่ผิดมันกลับด้านตัวนี้ต้องออตัวนี้ผิดต้องกลับไปฝั่งนูน้น ธรรมดายังไม่ได้ชาร์จนะมันคนนี่แหละทานหมดล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอ่ะกลับมาชาร์จที่ตัวเราอีกนะก็เมื่อกี้ถึงจุดที่เจ็บอรม์เนาะหลวงพ่อจะให้พูดสอบการกัเกี่ยวเก็บอรมณ์พระเหมือนกับโยมไหมก็สังเกตนะครับใหม่ๆเลยนี่จิตเราจะดิ้นครับพระจะสังเกตเหมือนเรามี เรียกว่าเป็นอุบายเนาะก็คือคนคนไหนที่ฉลาดจะไปอยู่ที่โล่งๆนะครับที่โล่งๆไม่ไม่ให้มันเป็นที่มืดเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่เกิดนิวรณนได้เร็วนะครับคนใหม่เราต้องแก้ตัวเองให้มันตื่นก่อนนะครับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้เราก็จะไปหาที่ลับๆหรือว่าหาที่พิงอย่างเงี้ยมันก็จะแค่ได้นานแล้วความรู้สึกตัวมันจะไม่ค่อยตื่นตัวนะครับคนใหม่แต่คนใหม่ก็จะชอบอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าคนไหนเริ่มดูแล้วมันจะแก้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดแก้ในทางกายเนี่ยก็คือหนึ่งเจ็ดวันเนี่ยเรามาเจ็ดวันเนี่ยเราจะปรับยังไงหนึ่งปรับกายก่อนปรับกายแบบไหนก็คือฉันอาหารเชนอาหารเป็นฉันอาหารพวกของที่มันย่อยง่ายเช่นหลวงพ่อท่านจะพาทำอย่างเช่นเนี่ยชันผลไม้ก่อนเพราะชั้นเราผลไม้ก่อนเนี่ยมันจะทาให้ย่อยง่าย ของที่ลงมาก่อนเดี๋ยวฉันเข้าที่หลังมันจะทําให้อาการหนักอาการมันหนักมันจะเบานะครับถ้าเราไม่ไม่รู้จุดนี้เราก็จะฉันเข้าเลยแล้วผลไม้ทีหลังมันจะอืดมันจะเนืดสังเกตไหมกายก็หนักใจมันก็จะหนักไปอีกถ้ากายกายมันหนักแล้วใจมันก็จะหนักตามแต่ถ้ากายมันเบานี่ใจมันก็จะเบาสังเกตไหมใหม่ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดเราแก้นิวรณเบื้องต้นอย่างนี้ได้ไปได้เร็วนะครับไปได้เร็วแบบไหนก็คือมันจะเห็น เขาเียกว่ามันมีสมาธิเกิดสมาธิได้เร็วแล้วก็มีสติสติแล้วความระลึกรู้มันจะเข้าไปรู้ในอาการต่างๆถ้าคนมาใหม่นะมันจะเขาเรียกว่าความรู้ข้างนอกมันเยอะมันสะสมมาเยอะปฏิบัติธรรมนี่มันจะความชิดมากนะครับความชิดมากเราต้องเขาเรียกว่าเป็นอสวาจิเลสต้องออกครับการทำบ่อยๆหรือเขาเรียกว่าต้องขยันทํามากๆความชิดยิ่งชิดยิ่งดีเขาเรียกว่าชิดให้มันออกมาเยอะๆกลัวจะหมดสังเกตไหม สองวันสามวสังเกตไหมเริ่มเบาสังเกตไหมเนี่ยมันเราต้องรู้เบื้องต้นตัวนี้นะครับถ้าแต่คนใหม่จะไม่ค่อยรู้พระเหมือนกันมันจะเป็นระดับของมันเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนที่เปิดให้ดูมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะเป็นชั้นพระเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าพระจะพูดละเอียดใหม่ๆก็จะเป็นจับใจความไม่ได้นะครับแต่กับมันก็จะยิ่งยิ่งละเอียดเขาเรียกว่าความเ ย, ยบคายมากเท่าไหร่มันก็จะเริ่ ม, มพูด เข้าใจได้มากขึ้นนะครับพระก็สังเกตตัวนี้แล้วก็มาสังเกตแบนไหนที่เราจะเก็บอารมณ์ได้แบบให้ต่อเนื่องนะครับพระก็สังเกตก็คือมันสําคัญที่เขาเรียกว่าปรามัดบัญญัตนินะก็คือได้การฟังมาบัญญัตินี่ถ้าเกิดบัญญัติมากเกินไปนี่มันจะไปบางอาการอันนี้พระสังเกตนะมันจะคอยแไปห า, หาบัญญัติขึ้นมาเขาเรียกว่า ปลามาัดคือปรมาตัตดเป็นอาการเนาะต้องมีบัญญัติขึ้นมาอีกชื่อนั้นชื่อนี้นะครับถ้าเราสติหรือความแยบคายเราไม่พอนี่มันจะงงอย่างเช่นยลวงพ่อนี่ท่านสติสัมปชัญญะหรือว่าความละเอียดแยบคายยันเยอะท่านก็บัญญัติได้เยอะยิ่งบัญญัติได้เยอะยิ่งอยู่กับความรู้สึกตัวนัปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นอุบายให้ยกิดอยู่กับฐานกายได้เยอะสังเกตไหมท่านจะพาทําอย่างเนี้ยปับ๊บแล้วก็เป็นบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแบบชื่อเนาะ เออแต่มันเป็นอาการแต่ถ้าคนใหม่ๆหรือว่าคนที่ไม่ค่อยเข้าใจพวกนี้มันจะบังอาการหมดมันจะงงสังเกตคนอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพระก็บอกแล้วว่าถ้าใหม่ๆเนี่ยไม่อยากให้มันยุ่งกับเรื่องพวกพวกบรรยัติหรือว่าเขาเรียกว่าสมมตินะมากเกินไปให้เอาคนรู้สึกเฉยเนาะก็จะบอกอย่างนี้เพราะว่าพระก็เป็นนะครับแต่สติตัวนี้เขาไปรู้มันจะละเอียดไปเรื่อยมัน สติตัวนี้ถ้ามันจะคิดก็ให้คิดกับปัจจุบันแบบไหนเดินปับ๊บคิดเรื่องนี้ชื่อบัญญัติอะไรถ้ามันคิดนะีความคิดถ้าไม่ได้ครับแต่ถ้าคิดคิดให้เป็นประโยชน์คิดสิ่งไหนที่มันอยู่กับปัจจุบันคือการเคลื่อนเนี่ยมันจะเข้าใจไปลักษณะนี้นะครับใหม่ใม่มันจะงงมากเหมือนกันครับคนยิ่งใหม่ยิงท้ออย่างโยมคนนั้นอะคือสังเกตไหมถ้าสังเกตถ้าเร า, เาจะเป็นสมมุตินะเป็นสมมุติเป็นเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าอยู่กับหลวงพอ่อจะ จะเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นการอ้างอิงก็ได้เนาะแต่ไม่เชื่อสังเกตไหมคนใหม่ๆนี่เอาสังเกตปูนารู้จักปูนาไหมครับจะเออปูนาเนาะถ้าเรามีกะละมังมาไว้เนเอาปูไว้ทั้งเนี้ยสังเกตมันดิ้นไหมมันจะไปคือช่วงนั้นแหะจิตมันยังมันนี่งไงมันหาที่ไปหลนไงยิ่งกว้างๆยิ่งมันไปได้เยอะนะครับเขาเรียกว่ามันหาที่ไป พอมันนานเข้ากูไปไว้ได้แล้วเว้ยมันก็จะนิ่งสังเกตไหมปูนะนิ่งเงียบเลยไม่ต่างกับคนครับสังเกตยงว่า น, นั้นจะดิ้นเดินหลวงพ่อก็จะให้อุบายเดินออกไปเยอะชิดออกเยอะเดินไปคือถ้าคนไม่เข้าใจจะแก้อารมณ์ไม่เปลี่ยนอย่างหลวงพ่อเนี่ยถือท่านสมบัติเยอะพระก็สังเกตตัวนี้ครับเป็นการสังเกตเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาถ้าเกิดเราไปการปฏิบัติมันจะทาให้เอาคําว่าเอาเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันจะอึดอดัดขัดเคียงเอ๊ะทำไมไม่ได้เงี้ยเป็นการเรียนรู้ ผิดถูกก็เรียนรู้ไปนะครับแต่ให้ปใ ห, ให้ขอให้อยู่เรียนรู้กับปัจจุบันแต่ก่อนพระ ก, ก็ชิดอดีตไปบ้างกันเชิงนั้นมันมีหมดครับแต่มันจะ อ, ออกไปเรียกเขาเรียกว่ามันขุดมาออกเรื่อยๆครับกลัวจะหมดมันไม่หมดง่ายๆครับมันจะมีมาปัจจุบันทุกทุกแหล่ทุกขึ้นมาแต่ละแต่ละเห็นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยคนไหนของเก่าไม่ออกมิยิ่งมีของใหม่ อ, อกีกไม่หมดครับต้องเอาของเอากอกเหมือนน้าครับที่ท่านตั้งให้ดูถ้าไม่เทน้ําออก เจ้าน้ําใหม่เข้าไม่ได้นะครับคนใหม่นี่จะจังสังเกตหลายคนอย่างเช่นที่หลวงพ่อให้โยมทํำเนี่ยต้องอยู่กับที่อะไรแคบๆก่อนแต่ถ้าปล่อยไปปั๊บไปเลยครับดิ้นไปเลยไม่รู้จะทำยังไงจะให้ไปนั่งจกมือก็ไม่ได้เพราะดูอาการแล้วต้องปล่อยปล่อยก่อนแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยต้องอาศัยคนเยอะๆหรือว่าต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีแล้วก็สามารถเนี่ยท่านจะเคารพหรือว่ากลัวตัวเนี้ย เหมือนหลวงพ่อให้ทําทตรงนี้จิตท่านจะอยู่ตรงนี้แต่มันทรมานครับธรรมะมันเป็นนามธรรมจะจะได้ธรรมะมันไม่ได้ง่ายๆครับคนที่มีวิบากกรรมเยอะต้องอดทนเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดจะได้ของดีต้องอดทนครับมันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยโยมคนนั้เาเกิดปิติเนี่ยคำ ว, ว่าอดทนเขาเรียกว่าเผาเนาะอาตาปีเป็นการเผากิเลสนั่งานานๆปับ๊บพอพลิกมันจะรู้สึกสบายว่าเขาสังเกตไหมเหมือนกันครับโยมไม่เคยอยู่อะไรนานๆอย่างนี้พอมาอยู่อยู่กับหลวงพ่อนี่ ท่านเกิดปีติครับปีติเบื้องต้นก็คือน้อยก็ยังดีแล้วท่านจะมีอะไรที่ขยันทําเขาเรียกว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำเนี่โอ้มันรู้สึกสบายเนี่ยพระก็อาศัยตัวนี้ครับคือมันมันศรัทธาแบบลักษณะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ครับศรัทธาให้เข้าใจว่าศรัทธาเลยว่าความเชื่อเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อเรยอว่าคือหลวงปู่เทียนหรือหอลวงพ่อพาทำตรงนี้ท่านไม่โกหกนะครับมันก็เกิดมีแรงบันดาลที่จะทําอย่างเงี้ย คนใหม่นะครับพอวัอนที่3วันที่4ี่เริ่มแล้วครับเริ่มนิ่งนะครับแต่คนเก่าหลวงพ่อจะให้ไปเก็บอารมณ์นะครับท่านจะดูอย่างนี้นะครับพระก็สังเกตตัวเองอย่างนี้อ๋อเป็นการสังเกตเรียนรู้แล้วมาดูตัวเองเรียนรู้มาดูตัวเองเป็นการเรียนรู้มันจะไม่พูดง่ายก็คือทุกอย่างเนาะมันต้องมีหลงแล้วก็ต้องกลับมารู้หลงแล้วก็รู้แต่ให้รู้มากกว่าหลงอย่างเงี้ยถ้าไม่หลงเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างเป็นการเรียนรู้แต่อย่าเป็นการทําเพื่อเอานะครับ ปฏิบัติธรรมอยากทนมากคนมาปฏิบัติธรรมเขาจะถามกันปฏิบัติธรรมได้ลาอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าเขาเรียกว่าตั้งตั้งเป้าสมมุติผิดบางคนมาปฏิบัติอยากได้เลยอย่างเงี้ยเออไม่ได้หรือว่าเจอคนถามว่ามันได้อะไรปับ๊บอย่เงี้ยตอบไม่ถูกเนี่ยให้เราวางใจกว้องว่ามาศึกษาเรียนรู้ชีวิตว่าแต่ละวันเนี่ยตอนที่เรามาอยู่กับเจวันเนี่ยเราอยู่กับตัวเองได้มากไหมทํางานข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงให้มาเรียนรู้ชีวิตอย่างงี้ เพราะว่าทำอย่างนี้มันจะทําให้เกิดสติได้เร็วเพราะว่ามันจะไม่กายมันจะไม่ถับเขาเรียกว่ากายมันจะไม่ส่งออกไปมากแค่ยกมือเนี้ยเขาเรียกว่ามาชาร์จแบตมันจะเต็มเร็วแต่ถ้าทํางานไปด้วยเนี่ยมันส่งออกครับมันแบ่งโทรละครึ่งนะครับมันไม่ค่อยเต็มเหมือนชาร์จแบตรครับเราชาร์จไปด้วยโทรไปด้วยไม่ค่อยเต็มใช่ไหมเหมือนกันครับท่านถึงให้มาทําอย่างนี้นะครับพอทําอย่างนี้มันก็จะเอาออกไปเลยคํำว่าออกก็คือมันความชิดนะครับเหมือนเรา กินข้าวอ่ะถ้าเราไม่ล้างจานเราจะใส่อีกได้ได้ยังไงใช่ไหมความชิปเหมือนกันครับเนี่ยครับเราชิดเรื่องอะไรไม่รู้ต่างๆนะเราไม่เคยออกเลยเนี่ยการการยกมือคือการเอาออกครับเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมที่หลงพ่อเทียนที่เปิดให้ดูท่านจะมายกมือนะครับให้มันเอาออกมาเยอะๆสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าที่ทำเนี่ยคนใหม่จะทอมากนะครับแต่ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ มีบาลามีเขาบาลามีแบบไหนก็คือเขาเรียกว่าความรู้ความรอบรู้เยอะบุคคลนั้นก็จะเกรงใจแล้วก็จะดึงได้นะครับแต่พระองค์ไหนที่เขาเรียกว่ายังไม่ค่อยมีรรษาเยอะอะไรเขาเขาจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อย่อยางนี้ไงเพราะบทมาน้อยนะครับต้องอาศัยครูบาอาจารย์คนนั้นเจ้าจะซึมซับได้นะครับแต่คนเก่านะครับทีนี้เจ็บอารมณ์ทํำยังไงให้มันต่อเนื่องคนเก่านะครับถ้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันจะงง ตรงที่ว่าเอ้ยมันเราจะไปยังไงเราจะเดินไปทางไหนมันจะงงเราจะรู้ยังไงรู้แบบไหนอย่างนี้ไงการเรียนรู้อย่างเงี้ยก็คือเรามาเรียนรู้หนึ่งเวันไอเอาอย่างนี้เลย7วัน7วันมาอยู่เนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราจะอยู่กับปัจจุบันได้นานไหมอยลืมครับขอให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือหลวงพ่อท่านจะบัญญัติขึ้นมาเยอะเพราะว่าท่านสอบการเยอะหรือว่าเรียนรู้ปริยัตหรือว่าเป็นบาลีท่านจะบัญญัติได้เยอะนะครับการบัญญัติเยอะก็คือการบัญญัติในร่างกายห้ามออกจากกกายับใจ แล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบายให้ใจมาอยู่กับไกลเคลื่อนไหวเออมันเป็นอาการหนักเบาเงี้ยเป็นบัญญัติขึ้นมานะครับถ้าคนเก่าไม่เข้าใจมันก็จะงงเพราะมันอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็จะมีการส่งออกไปข้างนอกเยอะแล้วก็เคลื่อนไปอย่างงี้นะครับทํายังไงก็ได้ใจมันเขาเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่เหมือนอย่างหลวพ่อเทียนว่ามันเป็นลูกโซ่ควารู้สึกมันก็จะเป็นลูกโซ่แบบไม่ใช่แบบเพ่งตึงหรือว่าเขาเรียกว่าจดจ่อ แต่เป็นการให้มันต่อเนื่องนะครับความรู้สึกต่อเนื่องแบบไหนความรู้สึกแบบนี้มันจะเป็นกลางๆไม่อินเอียงไปทางซ้ายไมย่เขาเรียกว่าปฏิปทาให้เดินทางสายกลางทุกอย่างให้กลางๆหมดนะครับบางทีกายมันตึงไปมันก็จะเกิดความชิดได้หรือว่าทำให้เกิดความชิดได้เยอะเพราะว่ามันปวดมันก็จะชิดไปบางทีมันสบายไปมันไม่เกิดความง่วง มันจะเป็นลักษณะนี้บางทีเพลินอีกมันให้เกิดความคิดไปอีกสังเกตในการเดินของเรามันเพลินนะชิดไปโอ้ดังนั้นมันทุกอย่างมันมีหมดนะครับแต่เพลินนี่ไม่ได้ว่าไม่ให้เพลินมันเพลินแต่เราขอหยุดปับ๊บพิกมาอย่างอื่นขอให้พิกหยุดปับ๊บจิตล้วก็พิกมาแล้วจากจากที่มันเพลินกลับมาพิกไปแล้วทําท่าอื่นอย่างเงี้ยขอให้อยู่อย่างเงี้ยท่านนี่ปับ๊บอะพอมันเพลิน หรือว่านั่งท่าไหนที่เราชอบมันจะเพลินใช่ไหมคนคนเก่านะเพราะว่าจะทำได้นานมันจะติดตัวนี้สังเกตคนเก่าจะติดตัวเพลินเพราะว่ามันจะไปได้ยากเพราะว่ามันทําได้นานนะี่ยกมื อ, อ, มอเงี้ยโอ้ไอม่อยากจะทิ้เงี้ยไอตัวไม่อยากจะทิ้ก็คือมันติดสุ ก, ก, ขขกถ้าสังเกตอย่างนี้นะเป็นสังเกตการสังเก ต, ตตัวเองพอมันติดสุกสแล้วมันไม่อยากจะเคลื่อนไหวมันอยากอยู่ท่าเนี้ยพอมันติดสุกสมันมีความชิดนะครับถ้าไม่ชิดมันก็ง่วงสองอย่างถ้ามันเพลินเนี้ย พอมันพอมันเพลินแล้วมันชิดไปได้ต่างๆคิดดีก็จะยิ้มชิดไม่ดีก็จะวิจกวิจันทรุทกอย่างเป็นความชิดนะครับมันคือเข้าสู่ใจนะครับสังเกตอย่างนี้แต่ถ้ามันเพลินอีกแบบหนึง่งมันซึมซึมตึงเนี่ยมันจะง่วงเพลินแบบไหนพอนั่งเพลินแบบก็จะซึมอย่างนี้ให้ลุกล้ครับลุกแบบไหนทําท่าแบบไหนก็คือใข้แก้ความง่วงก่อนแต่พอความง่วงมันหายรู้ว่าสติที่เรานั่งนานแล้วมานำทําเหมือนเดิมครับป๊อ๊อ ป, ปอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เคลเออื่อนไหวอยู่กับตัวนี้ได้อมันจะความรู้สึกต่อนเนื่องแล้วมันอยู่กับปัจจุบันขอให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอแต่เช่นลุงพ่อท่านจะพูดว่าเป็นยังไงความรู้สึกไหมภาคเจอบ่อยครับภาคก็เอาเรียงนั้นมาพูดความหลังเ น, Later, นาะมันเป็นความรู้สึกก็จริงแต่เอาความหลังมาพูดแต่ณนาปัจจุบันที่เราพูดรู้สึกไหมอย่างเช่นภาคพูดอย่างเงี้ยป๊อปป๊อปอย่างเงี้ยเออลุงพ่อท่านถามว่าเป็นไงรู้สึกไหมแล้วก็โอ้รู้สึกเป็นหนักๆหนักเงี้ยภาคก็เจอหลายครั้งไม่ใช่ว่าไม่เจอ แต่พ่จะจับจูได้อ๋อเนี้ยเป็นการเรียนรู้เนี่ยเราสังเกตถ้าไม่ค่อยถามแต่พระฟังบ่อยเอาเทพหลวงพ่อฟังบ่อยนะครับท่านพูดเหมือนก็เหมือนฟังก็เหมือนถามนะครับเ ป, เป็นการเรียนรู้นะครับเปิดใจเรียนรู้ชีวิตต่างๆไม่ว่าท่านจะทําโยคะอะไรนี่เรียนรู้หมดแต่ยอมรับตัวเองครับว่าไม่ค่อยปฏิบัติกันออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเราอาจจะหางคุบอาจารย์ไปแลมันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างนงงงงงี้ไงนะครับ ผลมันก็จะอาจร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับออกกาําลังกายดีนะครับผ่าสังเกตโลกมันทาให้ตื่นตัวร่างกายแข็งแรงมันจะทําให้ใจเราเบาได้ไวนะครับถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงแล้วไม่หนักไม่หน่วงอะไรใจมันก็เบาไวนะแต่ละวันหลวงพ่อให้ทํางานอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ออกกาําลังกายท่านทํางานไม่ได้ขนาดนี้นะครับคนไหนที่ออกกําลังกายบ่อยตอนเช้าเนี่ยมันจะทําให้ตื่นตัวแล้วทางานเขาเรียกว่าตื่นรู้เบิกบานนะครับผ่าสังเกตภ่าสังเกตนะ ถามว่าถูกไหมมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อเอาแต่เรียนรู้เพื่อชีวิตเขาเรียกว่าเป็นชีวิตเป็นประสบการณ์แล้วก็วางไว้นะครับกูบาอาจารย์เราก็สังเกตเอากูบาอาจารย์ไหนพูดถูกพูดผิดเราก็ไม่ได้ว่าท่านแต่เรามาดูในที่หนึ่งในหนังสือเนาะเขาเรียกว่าสิ่งไหนที่โดนถูกทางอย่างเงี้ยเราก็มาดูเอาฟังหลวงพ่อบ้างมาเปิดหนังสือดูบ้างอ๋อมันตรงกันที่สุดครับเอาตัวเองมาศึกษาห้าสิหลวงพ่อว่า ฟังห้เรียนรู้ทางอื่น50ามาเอาตัวเองอีก50นี่ครับก็เรียนรู้ไปคนเก่าก็จะได้ทําให้มันจะไม่คล้ายว่าไม่เบื่อนะครับมาทําแช่เจวันมันแค่ได้รูปแบบนะครับมันเขาเรียก ว, ว่ามาต่อยอดหรือว่ามาตอกย้ําตอกย้ำมันเสาเข็มเนี่ยมาตอกย้ําให้มันแน่นหนาอีกเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเจอทาง6ทางตาหูจมูกลิ้์กายมันมาไม่รู้มากี่ทางเนี่ยเพราะว่าสังคมอย่างอื่นเขาไม่ทําเหมือนเรา เหมือนอย่างภาพไปอยู่น้องปากจอดน้องปากหลอดเนี่ยเขาไม่รู้มันเราเราไม่ว่าเขามันคือธรรมชาติของบุคคลแถวนั้นเราไม่ได้ว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาการที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนไหนไม่รู้จะแก้ปัญหาตัวเองอย่างนี้หรือว่ามันปวดก็นั่งแค่งั้นพอเจอปัญหาภายนอกมันจะนั่งแค่หรือว่ามันจับออกจากความชิดไม่ได้มันจะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ถ้าดูสังเกตอ๋อที่เราไปแก้ปัญหาข้างนอกได้ก็เพราะเราพิกบ่อยเพื่อนบ่อย จิตมันจะดิ้นเขาว่าดิ้นไ ม, มันดิ้นดิ้นหาทางออกที่จะแก้ตัวเองนะครับเอเราก็นี่การสังเกตแล้วก็เรียนรู้ชีวิตนะครับไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะเอาแต่เรียนรู้เพื่อจะศึกษาสิ่งไหนดีก็ทำไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละอันนีเ้เราทำไม่ได้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็เปิดใจเรียนรู้ชีวิตอย่างนี้มันทำให้ตัวเองมีคุณค่านะครับนะครับการเจ็บอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นทาให้เราเนี่ยมีพลังมากนะครับพระถึง อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคณะอื่นหรือว่าปฏิบัติทางอื่นไม่ใช่ว่ามันดีเลครับแต่มันได้ผลน้อยของเราเนี่ยมองไปข้างๆสังเกตไหมต่างคนต่างทําต่างคนต่างมันทําให้มีพลังตัวนี้คาว่าพลังก็คือมันเกิดพลังภายในเต็มเร็วครับเนี่ยเขาเรียก ว, ว่ากัลยาณามิตรนี่ในเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรแบบไหนเขาว่าสัพยะ เ, เพื่อนสัพยะอาหารสัพยะธรรมชาติสัพยะอย่างเงี้ย เราก็เรียกเอาทีเราปฏิบัติเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนดีไม่ดีแต่เราอยู่จุดนี้แค่เ็วันเราเจอข้างนอกกี่วันเนี่ยเราทําต่อเนื่องไหมทํากับการงานนี่สําคัญมากครับบ า, บางคนเนี่ไม่รู้ทําเพื่อเข้าไปเป็นในงานเลยอยากให้มันเสร็จเจออะไรนิดหน่อยผ้าจับฝืนตัวเองครับอันนี้ไม่เสร็จหยุดเลยนะครับแต่วันหลังทําใหม่ความคิดเหมือนกันนะครับความคิดคิดว่าจะทําตัวนี้ปับ๊บทําเลยผ้าสังเกตตัวเองว่าความคิดมันหลอกมากไหมสังเกตแล้ว น้อยกว่าที่จะคิดแล้วไม่ทําแต่พระคิดแล้วจะทํามากกว่าอันนี้สังเกตตัวเองเอเอเราคือถ้าคนไหนคิดแล้วไม่ทํามันจะหลอกตัวเองบ่อยแต่ถ้าคิดแล้วทาทําเลยจะผิดจะถูกก็ทําไปนะครับเป็นการคือไม่ต้องหลอกตัวเองเนี่ยก็เรียนรู้อย่างนี้ก็โอ้รู้สึกว่ามันทําให้ตัวเองมีคุณค่าเนี่ยถึงเราจะไม่ค่อยรู้บัญบ ญ, ญัติหรือว่าเป็นเป็นพวกสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราเรียนน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ถ้าเราเรียนเราก็รู้เรียนรู้สิ่งไหนรู้สิ่งนั้น แต่เราเอาแค่กลางๆกลางๆอย่า ง, างไหนที่เราพอจะรู้ที่เราพอจะเข้าใจนะครับแบบไหนคือสังคมหรือว่าญาติโยมหรือว่าแต่ละบุคคลนี่จะให้เข้าไปละเอียดรู้แบบตรงข้อไหนยากมันต้องสัมปชัญญะมากเรียนรู้ตัวนี้ละเอียดมากมันถึงจะบัญญัติได้เยอะอย่างเราเนี่บัญญัติมากงงอย่าเอามากครับเอาน้นน้อยแต่แต่ยแต่ยาไม่ใช่ว่าไม่เรียนรู้อันไหนที่พอจะเรียนรู้เรียนรู้อย่างนี้ครับ พักก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เรียนรู้เรียนรู้เอาสติปัญญาของเราที่จะเข้าไปเรียนรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแค่นี้เราก็เข้าใจชีวิตตัวเองนะฮะจะเป็นจะตายมันไม่ได้สําคัญตัวนี้ก็คือขอให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ท่าน้ำก็ดีเองอยู่กับปัจจุบันเองอนาคตก็ดีขอให้อยู่กับปัจจุบันได้ดีอนาคตดีอดีตมันล้าไปแล้วพระศิษอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเก็บอารมณ์ช่วงหลังๆได้ไวปรับสภาพเข้าจุดพื้นที่ได้ไวแต่ก่อนโอ้ยหลงมาก ลงมากยิ่งเจออะไรมากยิ่งดีสบการเราเยอะก็อยากให้คนใหม่นีิอดทนครับเจอปัญหาต่างจิตมันจะดิ้นนะครับต้องมีกัลยาณมิตรล้อมอย่างนี้พระอยากให้คนใหม่นีิมาอยู่ร่วมกันมันได้พลังเร็วครับแต่ถ้าแยากย้ายเนี่ไปเลยครับยังไม่ปล่อยเดินไปแล้วหนุนตามความคิดเห็นไหมใจเราจะไปอยู่ข้างหน้าเลยจะไม่อยู่กับการเคลื่อนเดินไปปั๊บใจไปอยู่นู่นเลยกูจะไปกดไหนเนาะกูจะไ ป, ะไปมันจะไปอย่างนี้ครับคนใหม่นะแต่ยากแม้กระทั่งคนเก่าก็ยังมีนี่ครับพระก็มี เราตัวรู้เนี่ยมักลับมารู้เร็วแค่นั้นนะครับไม่ต่างกันเราจะไม่ค่อยยาวนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ให้กําลังใจนะครับก็เผื่อครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้พูดก็ให้กําลังใจทั้งพระใหม่ไอ้ทั้งทั้งคนก่าทั้งทังคนใหม่และคนเก่าเนาะเอออย่าท้อเพราะว่าพวกนี้อีกวันนึงเนาะขอให้อยู่กับปัจจุบันแค่นั้นครับพวกนี้จะเลิกไม่เลิกก็อย่าไปคิด อยู่กับปัจจุบันการเคลื่อนกันไหวเพราะว่าตัวรู้มันจะไปกับเราตลอดนะตรงแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็อยู่หยุดยดุดนี้แต่ความรู้มันจะตามเราไปตลอดขอให้มันต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ทุกคนจงตั้งใจนะครับจงมีสติมีปัญญาทุกคนเพิน การข้อสังเกตที่เน้นก็คื อ, คอว่าให้เข้าใจทางตัวสภาวะและตัวบัญญัติตัวบัญญัตินําไปสู่ตัวสภาวะตัวบัญญัติเหมือนลูกกุญแจนะตัวบัญตัวสภาวะเหนที่เราใส่กุญแจเข้าไปถูกแม่ของมันนะแม่กุญแจที่เป็นตัวสภาวะทีนี้อาการก็คือเราใส่กุญ แกเข้าไปแนละ้วต้องบิดให้ถูกทางเรียกว่าวัตถุคือตัวตัวบรรยัติก็คือตัวเนี่ยตัววัตถุคือลูกคุญแจเนี่ย<ม>ประมัดก็คือตัวแม่กุญแจอาการคืออาการที่เราบิดกุญแฉไขออกได้ดั<ม>งนั้นพอเราตั้งใจว่าจะทำนะไอ้ตัวที่รู้สึก เฉยๆที่ทำไปทาไปเฉยๆเนี่ยทั้งตัววัตถุปริวัติอาการมันตรงกันละทั้งตัวบัญญัติอาการตรงกันต่อเมื่อใดมีความรู้สึกว่า <c oughs> อชอบไม่ชอบหรือคิดหรืออาการใดๆอย่างหนึ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่นะในช่วงปฏิบัติตัวนั้นมันก็จะไม่เป็นวัตถุอาการละ อย่าเป็นไตรลักษณ์อยเป็นอ น, นี้จังทุกขานักตาไปนะ น, นั้นตัวที่ท่านสังเกตว่าให้ตัวบัญญัติตัวอาการนะแต่ตัวปรามัดให้มันตรงกันคือตัวอาการคือตัวเราสัมผัสนะนนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึง่งแล้วก็กำลังใจกนะำลังใจที่เราตั้งไว้ให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็งไว้เสมอ แล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องเอาอะไรเพราะสิ่งที่เรารู้เราศึกษามันมีอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะให้มันเข้มแข็งขึ้นเท่า น, นั้นเองความรู้สึกตัวก็มีอยู่ความตั้งใจการกระทำก็มีอยู่และเข้าใจในสิ่งที่ทำความเข้าใจในสิ่งที่ทำก็มีอยู่แต่ที่นี่ว่าพอทำไปทาไปเนี่ยมันเผล อ, อความเผลอมาจากอะไร <c oughs> ความเผลอหมายจะถึงว่าความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ต่อหนึ่งเข้มแข็งพอมันก็มีช่องว่างนะช่องว่างให้เกิดเผลอเผลอคือช่วงที่สิ่งบางสิ่งมันเกิดขึ้นมาในใจนะเผลอนี่คือการเกิดการรู้คือการดับพนะอเผลอเกิด หรือเกิดคืออะไรบางอย่างเกิดมาในกายในใจเช่นความหนักขาเกิดขึ้นที่กายอันนี้ <c oughs> การเกิดอย่างนี้ยังไม่ไม่เป็นสมุทัยนะการเกิดเป็นธรรมชาติและก็ขาที่มันจะปวดเราเผลอไม่เผลอมันก็ปวดอยู่แล้วมันก็หนักอยู่แล้วต่อเมื่อไรที่เราเผลอก็คือไปเกิดความคิดคือความ อยากจะให้ไม่ขาอยากจะให้ขามันไม่ปวดไอ้ตัวเนี้ยรือเกิดละเกิดตรงไหนเกิดที่มันอยากให้ขาไม่ปวดแล้วก็อยากจะขาอยากจะให้มันเบาสบายเป็นความอยากอยู่แนละ้วตรงนี้เราเกิดซ้อนเกิดเกิดอันแรกคือเกิดปวดขาเกิดหนักไหลเกิดอันนี้สองเกิดอยากจะให้ขามันหายปวดเราอยากจะได้ให้มัน ได้สภาวะได้ความสงบตัวรืลความอยากก็เกิดซึ่งความอยากลักษณะนี้มันค่อนข้างละเอียดนะคือเราเร า, เรานั่งรู้สึกหนักพอเราอยากจะลุกอ่ามันเป็นความอยากอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าพอเราอยากจะลุกเพราะอะไรเราสอบย้อนคืนไปอยากจะลุกเพราะมันหนักนหนักเพราะอะไรเพราะมันทนไม่ได้ รู้สักว่าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยากก็เพียงแต่ขยับนิดหนึงให้อาการตรงที่มันหนักเปลี่ยนไปซะเขาก็ดั่งไปใหม่นะอาการก็เบาลงไปแล้วก็ศึกษาปฏิบัติต่อไปอสักพักหนึ่ง ม, มันไม่ไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องที่มันหนักแล้วมันคิดเกิดอยากจะรู้อะไรบางอย่างอยากจะรู้ว่า ที่เราทำเนี่ยมันจะรู้อะไรอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็สังเกตได้ว่าตัวที่จะทําให้เกิดคือตัวอยากนะอยากซ้อนอยากอยากอันที่หนึ่งเกิดที่กายนะอยากซ้อนอยากคือตัวตัวอยากที่เกิดที่กายเนี่ยมันไม่ใช่อยากแบบเป็นสมุทัยแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติ ลักษณะเนี่ยมันอ่ามันมาเข้าบรรชาไม่ได้เป็นอนัตตาแต่การที่เราอยากจะให้มันดีมันไม่ดีตัวนี้ยเป็นตัวสมุทยัยเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตัวที่มันเกิดที่กายเนี่ยเพียงแต่เราเปลี่ยนมันไปนิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็แก้ไขได้ละแต่ถ้าหาว่าเราไม่ยอมพลิไม่ยอมเปลี่ยนเราไปหยาก อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันดับหรืออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนั้นเป็นสมูทไทยตัวนั้นต้องละนะต้องละฉะนั้นเองเขาเรียกว่าเกิดซอดเกิดนะเกิดที่กายแล้วก็ไม่พอเกิดที่ใจแต่มันเกิดชั้นเดียวเกิดที่กายพอมันได้สติก็ปรับมันก็หายโดยที่ไม่ต้องไปอยากหายเพียงที่เราปลับมันก็หายเพราะทั้งสติรูนะ้อันนี้ที่ท่าน เน้นให้เห็นตัวอาการที่เรามาดูประสบ ก, การณ์ของท่านตั้งวางนะองค์ถัดไปว่าท่านเคยเก็บอารมณ์มาหลายครั้งเนี่ยท่านไะ้ปะสุกการณ์อะไรจากการเก็บอารมณ์บางท่านจะเล่าให้ฟัง หลวงพ่อมหาดิเรกผู้เป็นประธานแล้วก็เพื่อนสหธมิตกทุกๆูปจเจริญในศีลในธรรมน้องสมามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่านครับก็เคยเจ็บอารมณ์มาหลายครั้งอยู่ <c oughs> ถ้าเอาเป็นเดือนก็ห้าครั้งแล้วก็สิบห้าวันก็ หลายครั้งอยู่ประมาณหกเ็ดครั้ง1ิบห้าวันก็แล้วก็มาเก็บวันอีกนี้เคยเก็บมาเรื่อยๆเก็บอารมณ์เนาะสำหรับการเก็บอารมณ์ของพระเองครั้งใหม่ๆเลยเนี่ยเก็บอารมณ์พระก็ฟังครูบาอาจารย์มันก็มันก็จำไม่ได้ทั้งหมดเนาะ ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นบางช็อตก็อย่างพ้าก็จีบอรมณ์สิบห้าวันอย่างเงี้ยพ้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปกำหนดในการที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนอแต่ก็เคยได้ยินหมู่คณะเคยพูดว่าการจีบอารมณ์เนี่ยสิบ้าวันเนี่ยไม่มีใครจิบได้หรอกนะชอบจะแหก พรก็บวชใหม่ไม่เคยจิบอารมณ์ก็กลัวท่านจะสงบเป็นคนพูดนะช่วงนั้นอยู่ด้วยกันที่ทำแสนเทียนเหรอพก็ฟังพระก็บอกว่าจีบอารมณ์มันจะได้อารมณ์อย่างนั้นมันจะสงบอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เบาสบายผมก็จิบมาแล้วพอท่านบวชก่อนเดือนนึงแล้วก็ไปจิบอารมณ์เข้มที่อ่าเขาใหญ่หรือโคลาเป็นอาจารไม่ได้เนาะแต่ทีนี้พรก็บวชใหม่พระก็เลยเข้าไปจีบอารมณ์ สิบห้าวันพระก็ไม่รู้หรอกว่าจะแหียย่ยเนะข่ายังไงนะเขาบอกว่าแหก่ข่ายกันนะแต่พระก็ไม่รู้ว่าแห็บยังไงไม่รู้ว่าอาการหกเห็บมันเป็นยังไงแล้วก็ก็ยังไม่รู้อะไรอ่ะเนาะขอเขอ้าเก็บอารมณ์พระก็อาศัยในการที่เดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงช่วงนั้นยังไม่เคยยืนนะยังไม่ยืน <laughs> นอน มีแต่เดินกับนั่งกับนอน <c oughs> ก็อาศัยนรกายมีนิกาตั้งไว้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตีสามตีสามจนถึงสามทุ่มเนอะก็อาศัยกายเราชอบเดินก็ากาวว่าเดินสองชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ก็จะให้ก็จะนั่งสองชั่วนั่งชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งแต่ก็นอนนี่ประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ถ้ามันหลับก็ชั่วโมงนีงเหมือนกันถ้ามันหลับนะบางทีอาจารย์งพวงเลยมามาเจอนะผมนอนสั่งกับข้าอาจารย์แต่มันก็มีอาการเคลิ้มนะมีอาการเคริม้มเพราะามันจะมีความคิดนะบนถ้าหนุ่มนล่น้อยก็จะปรุงเรื่องอ่าบทใหม่ก็จะปรุงเรื่องทางโอกนะอ่าสืบออกไปทําอะไรอ่าก็ปรุงไปปรุงไป มแต่ปูนึงดีๆนะไม่เคยขาดทุนนะอะไม่เคยขาดทุนปูนแต่งสมหรับพอมันปูนวกไปวกไปวกมามันก็มาเอาเมีอะมันเดิมมาเอาเมีอก็จกบที่ตรงนี้ล้วก็หมดก็เบื่อโอ้ทั้งวันก็มาวนกันนี้แล้วก็กลับมาสิบตัวใหม่เดี๋ยวจงกรมรู้สิบตัวรู้สิบตัวแล้วรู้จังวะเลยนะช่วงบ่ายสามมันจะมีอารมณ์อย่างนี้เข้ามาอารมณ์ปูเแต่งเคลิ้มๆอย่างนี้แหละก็ รอจังหวะใบาสามมันก็จะมาล็อกเดินตักเดินเพิ่นเพิ่นนะคือเราพูดอย่างนี้นะมันอาการอย่างนี้เป็นอาการนี้ทุกข์เนไม่อยากจะรับรู้ทุกข์ไปอยู่ในความคิดนี้อารมณ์แต่ก็ดีนะดียังไพงพอมพุทุกวันทุกวันทุก ว, วันเข้านะปราคนลูกเสืเอ๊ะลองปุ่งออกนอกเรื่องนี้ดูสิมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ต้องอมีมีครอบครัวดูสิมันจะเป็นไปได้ไหม มันก็ปรุมีเงินเท่านี้ปรุงไปปฏิเสธเพียงปริเสตปรุงหัวเงมันก็วนกลับมากลับมามันลงที่กลามเหมือนเดิมมัขี่รอบเขามาลงที่นี่เหมือนเดิมเอ๊ะก็มาลงตัวที่เดิมตัวเอ๊ะแล้วมันจะสนุกตรงไหนเน่ะมาปรนี่ก็มาลงที่เดิมแต่มันก็เห็นช่องช่องของความรู้สึกตัวอันนี้คือช่องช่องที่ปงแต่งอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็กลับมาเรีนจงความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมันก็จะมี ความร่วงเข้ามาความเราไม่สนใจมันนะหรือว่าเออมันก็มาลงที่เดิมไม่สนใจมันละแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เหมือนกับว่าเออเมีอยู่มีอยู่มีอีกอยู่อยู่มาเสนอให้นะมาเสนอให้เรื่อยๆก็กลับมารู้สึกตัวเดินจงกลมเดินจงกลมก็อพอมันจะอารมณ์เบื่อไม่เบื่อนะถ้าไม่เบื่อเพราะว่าถ้าก็ช่วงจะเบื่อพระก็มันเป็นก็เหยียบสา์เหยียบอะไรเนาะ เป็นฉะนั้นมันกุติไม่กุติไม่ดีอยู่ที่ถ้ำก็เหยียบสาสตร์แล้วก็ใช้อุบายก็ไม่รู้เป็นอุบายอะไรหรอกก็เหยียบเอเปลี่ยนความรู้สึกนะเหยียบสาสตรบ้างตรงนี้มันนูนบ้างมันเป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็มองต้นไม้บ้างมองมดบ้างเนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเหยีดออกจากกุติพักก็เลยว่าใช้อุบายที่จะให้ตัวเองอยู่ได้ถึงสิบห้าวันใช้อุบายเอา ถ้บ้งง่วงไหมง่วงก็ง่วงง่วงช่วงจะกินข้าวกับช่วงช่วงจะรับอาหารเช้าเนาะอาหารเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะง่วงอันนี้เป็นง่วงง่วงเรื่องนี้เป็นง่วงของการเม่าอาหารเนาะแล้วก็มีง่วงแบบประมาทเลยนะง่วงแบบประมาทคือแบบว่าเราเพระว่าเราตื่นแล้วแหละวันนี้เราไม่ง่วงแล้วแหละออกจากเรื่องอาหารไปแล้วทั้งสองขาบทั้งเช้าแล้วก็เพน คิว่าจะไม่ง่วงแล้วมันก็มีร่องอารมณ์ง่วงเหมือนกันนะหรือว่าจะไม่ง่วงมันก็ตกคริ่เข้าไปช่วงนี้ช่วงไหนช่วงก่อนจะเพนพอง่วงแล้วเขาจะลักขคร่แล้วตัวเองเพิ่งตื่นก็มีเหมือนกันเต้นอย่างเงี้ยแต่ก็เสียเสียใจเหมือนกันนะทาไมถึงโมัวหัวตัวเองเหมือนกันนะมันง่วงอะนะเราก็พยายามมุสับ์กบประคองดีว่าแหละทั้งวันหลยโอ้ก็หาตัวเองคับเลยแบบะนี้ยับประคองอารมณ์ได้ไม่ง่วงหรอกนี้ ก็ถือว่าภูมิใจใตัวเองอนะแต่พอมันมาสับขาหลอกเนาะหลักนาะแล้วก็มาตื่นโมโหทีอีกทีหนึง่งรู้สึกแบบมันโมโหกัห้ตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะมันหลับได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่เขาพยายามดูใหม่ตลอดคืออารมณ์นี้มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเราเราประมาทหน่อยว่าเราชำนิชำนานแล้วเนี้ยแต่ว่าชำนิชำนาญในของพระนะชุกภ้าวันกิตอรใหม่ คือเราโอเคแล้วเออตื่นแล้วแเราไม่หลับแล้วแหละอ่าอย่างเงี้ยแต่พอมันก็ทิ้งความรู้สึกตัวมันก็จะไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ดีๆเนาะก็ทิ้งความรู้สึกไปความรู้สึกนี่ก็คือความรู้สึกที่มันตื่นนะมันตื่นมันจะไม่เกี่ยวพันด้วยอ่าอะไรขมขโัวไม่ใช่มันจะแจ้งนะความรู้สึกมันจะตื่นมันมันกับเรา มุดน้ำแล้วก็โผล่โผขึ้นมาบนน้ำหายใจได้แล้วมันโลง่งนั่นแหละความรู้สึกนะไอ้คำบุกคำวัวนี่มันก็ยังคำบุกคำวัวแสดงว่ายังสู้กับมันอยู่สู้กับนิวรณ์หรือความคิดอยู่แต่ถ้ามันตื่นก็คือหายใจโลงง่งนั่นแหละแต่ขณะนึงขณะนึงนี้คือการตื่นเนาะถ้าก็ได้สัมผัสอาการตื่นกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดความสนุก สนุกลงก็มีอารมณ์อารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์แบบความเคยชินนะที่ปรุงแต่งน่ะเป็นอารมณ์ความเคยชินที่เราใช้ชีวิต อ, อยู่กับโลกอยู่แล้วต้องปุงแต่งอยู่แล้วใช่ไหมความเคยชินเดิมแต่ไอความรู้สึกเปล่นขึ้นมาเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วอนะ่ะไม่เคยรู้ก็มันก็ตื่นแล้วก็มีเออก็เหมือนกับเราไม่ต้องไปหาอะไรมาเล่นมากมายก็ดูต้นไม้ดูอะไรบ้างแล้วก็ยินเพื่อนโมคนะะ ท่านจะสงบบอกว่ากิบอารมณ์มันจะฟุง้งซ่านนะมันจะชอบทํานั่นทํานี่พักก็เห็นนะเออก็จริงด้วยเนาะเหมือนท่นว่าเนะาะตอนแรกเราเข้ามาในกุฏิก็รู้สึกว่ามันไม่รกแต่ทําไมถึงว่ามันรกขึ้นเรื่อยๆรกขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็กิ่งมะม่วงทําไมมันแต่ก่อนลราไอรอนปกติดีทําไมถึมันมันมันรกว่ะแล้วก็งูเขียวเข้ามาด้วยจะเอาไม่มาตบดีไหมวะ ถาม่มาัดก็ไม่ได้อาจารย์งพงศนะ้องว่าเราฟุ้งซ่านหรือูคณะที่ท่านไม่ได้จีบลมก็ต้องวเราฟุ้งซ่นไม่ต้งองจีจิบเราไม่อเลยอุดเอาไว้อุดเอางูก็เข้าุดนะงูเฉียวมันกินทุกแก่มันกินอะไรไม่รู้นนะกุดยาคาก็อดทนนะีนี้อานาร์งก็งมาสอบอลมเล็บ ก, ก็ยาวนะบอว่าฟุง้งซ่นหนวดก็ไม่กนนะไม่รู้จักเนาะ <c oughs> จารย์เข้ามากกระมองลมองหนวด ผมกลัวผมพูดชั้นก่อนจันบอกจันก่อนเลยจริงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันนะเนาะคืออันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นะครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เคยได้เก็บอารมณ์เลย15วันก็อดนะที่จริงแล้วเพราะว่ากี่นมะม่ว ง, งมันก็น่าจะเอาไม่ประทับได้นะเป็นการแก้อารมณ์ตัวเองได้นนะแต่ก็ไม่ออดหยุดเลยนะในช่ววัน15วันตั้งแต่ผ่านะ่ะก็แบ่งเวลาสักจะสัก3วันใส่ใชนิด3วันจะไปสัก15วันนะจะสักกี่ครั้ง จะซักจะซักผ้าเวลาไหนนมเนี่ยก็พนมามให้สิบห้าก็สิบห้าก่องวันละกล่องตอนเย็นก็ประมาณห้าโมงเย็นเราจะหรือจากส่งน้ํามาแล้วหรือกินนมก่อนหกโมงเยนกินนมแล้วก็ไปส่งน้ํากลับมาโดจงกลมกลับมาเราจะเดินก่อนเดี๋นั่งก่อนก็ทําอยู่นี้แล้วก็สนุกดีมันก็มีการแบ่งเวลาการชัดเจนในตัว เ, เองนะแล้วก็การหลักการนอนการเปลี่ยนก็ ก็ไม่ค่อยแอบหลับหรอกไม่ค่อยไปแอบหลับแกมันเผอหลับดีกว่าเสียบกว่าแอบหลับอีกนะแอบหลับมีกังวลการอะไรทุรนทุรไลหรือกังวลกลัวอุบายทํำมาเห็นมีความผิดนะแต่ว่าถ้าเผอหลับไปเนี่ยเฮ้ยผมเผอหลับครับื้อดีวอนไม่ได้มันใ่ายกักันยังไงไม่รู้นะอุบายเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีอย่างนั้นหรอกนะครับไม่ค่อยมีอย่างนั้นหรอกก็งางานคั้นก็พูดไปแต่ไอเผอหลับมันก็ประเมินดูแล้วมัน มันเสียบกว่าจริงๆนะแต่ก็เป็นบ่อยครั้งเป็นบ่อยครั้งแต่แอบหลับบางทีก็ก็แอบหลับอยู่แต่ก็นอนแบบมันเป็นทุกข์อ่ะกลัวกูบาอาจารย์มาเห็นแล้วเขาก็ทำํวทำวะซักพักมันนอนได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีไฟเนาะไม่มีไฟมีตะเตียนเก็ตั้งเตียนไว้แลก็นอนเล่นนอนเล่นนะนอนสร้างจังหวะนอนเล่นกระดิกตีนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทํำส่วนเชินต่ก่อนมันก็ยังไม่มีอะไรเนาะ มีหมาตัวหนึ่งตัวเท่านี่แหละมันเดินเข้ามากุติพาก็บวชใหม่พาก็เห็นหมาตัวนั้นนะ่ะตัวเท่ากับอู้ใหญ่มากเลยหมานะเงาเรามันตัวใหญ่ใหญ่นะ่ะทุ่มหัวท้ายเลยป้าตัวอะไรเข้ามาที่กุติกุติใหญ่เนอนเนาะทำอะไรเนาะว่ะมันเป็นประตูไม้แล้วมันไม่ดีเป็นทางเสียวรอกกันนะพาก็ขยับเข้ามาดิเล่ดิเล่เอ๊ะทาไมไม่มาเยอะ <c oughs> คือมันตัวเล็กกันนะ มันตัวเล็กแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเลยก็ดูอะทําไมเห็นมันไม่ทีที่จริงมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะมุดตัวเล็กอะนะไม่เห็นเลนะก็เลยไปดูโอ้โหนี่เลยความปรุงแต่งความกลัวนะกลัวนะครับกลัวแล้วก็คือมันก็กลัวนะแล้วก็เออที่จริงมันทั้งรอบคอบกว่านี้ประตูมิดชิดกว่านี้มันปรงแต่งอะนะมีความกลัวแล้วก็เรื่องผ่าตัผ้าอย่าเงี้ยในกุฏิก็ได้ยินข่าวว่าพันพงหรือ ใครเปิดรมนูแล้วว่าหลวงพ่อมหาณะถ้าใครตากผ้าไม่เรียบร้อยไม่เข้าไปจับอารมเลยเพราะก็ยินเหมือนั้นนะแต่ไม่เคยเจอหลวงพ่อมหาตอนนั้นนะถ้าก็ไม่รู้จักก็เออมันก็มีจันพงศ์แล้วก็ตากผ้าตากผ้าไว้ก็เป็นลาวเนาะให้กุเตฏิเนาะล้าไม่ไพ่ที่จริงแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่เรียบร้อยหรือเปล่าแต่ว่าเพาะว่าทีินแล้วเอาตากไว้เป็นเป็นส่วนแล้วก็พับไปเป็นระเบียบดีกว่าเพราะว่าตอนเดินจูกลมกลางคืนมันหลอน มันระวงมนระนะมันเหมือนแบบเดินจงกรมมัดมเต็นเียนเนาะระวงเผื่อมีใครมาจะเอเนี้ยท้ามาัแล้วกลัวผีนะมันเป็นผ้าแล้วเป็นแบบทีลงมาพัผ่านาบบึบอย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจอย่างเงี้ยมไม่มีสมาธินะ ม, มีสมาธิคือการจิบอารมณ์เนาะก็ดีนะครับก็ดเเีเป็นการได้สู้อารมณ์กับตัวเองดีที่จริงแล้วการจิบอารมณ์ก็ มันก็มีแต่ละทั้งใหม่แล้วกลางแล้วเก่าเนาะเขาก็เก็บไปเรื่อยๆจนเก็บจำนิจำนามนีมนนน้าการจีบอารม์แต่จีบไม่ใหม่สนุกนะพระว่าสนุกไม่รู้อะไรดีรู้นิดน้อยนะดีมากเลยนะนสนุกแต่ว่าก็ก็ปรับปรุงตัวก็จริงๆแล้วก็ดีทั้งหมดแล้วเนาะดีแล้วก็ดีทั้งหมดแต่มันไม่ได้อะไรมากมายก็ปรุงแต่งไปคิดคิดสนุกสนานนะคิดนีคิดสนุกสนาน ถึงมาลงเวลาเบื่อก็เบื่อเบื่อจริงๆนะเบื่อบางทีจะพยายามให้มันปรุงเรื่องนี้มันก็ไม่ไปนะมันก็ปูุงไปตามสภาพของมันนะความคิดแล้วก็มันสุดของความคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวไม่มีอะไรนะปรุงมันเห็นวนนะวนวอย่เงี้ยจนหน้าเบื่อหน้าเบื่อแต่ก็ไม่เบื่อหรอกมันก็มีรสชาติใหม่ๆมาเรื่อยๆนะแต่มารู้สภาพวบเออตอนนี้เราบวชนิว่าไอที่มันปรุงไปมันจะเป็นจริงหรือเปล่าวะ มันไม่เป็นจริงหรอกมั้งมันทําได <engineer house, S 2> ้หรอมั้งเออก็คือพอมันปรุงไปอนั้นแล้วก็กลับมาน้อมเสียตัวเองว่ากําลังเราไม่ใช่เนี้ยร่างกายไม่ใช่เนี้ยใจไม่ใช่เนี้ยจะไปทําอะไรตามความคิดที่ปรุงเต็มเลยไหมล่ะําจริงเลยไหมอ่าเราเริ่มจากอะไรก่อนทําอะไรก่อนจะเริ่มจากพับผ้าใช่ไหมเราก็ได้แค่พับผ้านะไอ้จี่ปรุงไปทั้งหมดอะมันทําไม่ได้หแบบนี้นะได้แค่พับผ้าจะกดเอ่ากุฏิก็ได้แค่กดกุฏิอย่างนี้นะมันมันเกินจริงไอ้ที่ปรุงไปมันเกินจริงนะแต่ว่าก็สนุกนะ ปูไว้ก่อ น, นเลยก็เห็นประสบการณ์ของความชิดนะของความปูแต่งก็สนุกอ่าแล้วก็มีความว่วงก็มาเป็นพักๆความว่างก็สนุกกับการเล่นสู้ความว่างด้วยก็เดินหน้าถอยหลังแต่หลายรูปแบบเนาะก็ทเดินแบบธรรมดาดิแหละทำธรรมดาแต่พอมาได้อยู่กับหลวงพ่อนีท่านจะให้ศึกษาลงรายละเอียดชัดกว่าเดิมจริงๆแล้วเราก็ศึกษาของเราชัดดีว่าแหละแต่ ในความเยือกเยวนเยียบทายมันต่างกันโดยสภาพของการเราศึกษาเองแล้วก็มีครูบาจารบอกอย่างพัเดี่ยวเดีตยวกลมแล้วก็ศึกษาแล้วอันนี้ฝั่งนี้เย็นนะฝั่งนี้มันตึงนื้อบางทีเราใจเราบอกว่าฝั่งนี้เย็นแล้ ว, ล ว, ล ว, ว, ลวข้างนี้เยือกเย็นแล้วใจมันก็จะคิดว่าจะเย็นเหมือนกันเลยอ้าวข้างนี้เย็นแล้วก็อุ่นด้วยดรกแข็งด้วยอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะแตกต่ตตตางกันไปแต่ความเคยชินของใจมันจะบอกมันเดิมเคยมันรู้สึกอย่างนี้มันก็คิดว่าจะ ไอ้ี่เป็นมันเดิมก็ใช่มันก็จะมีความแตกต่างความรู้สึกที่กระทบพื้นแล้วก็พอมันสังเกตกับจุดที่ท่ากรทบพื้นเขาก็สังเกตขึ้นมาเลยสะบงโดนขาความรู้สึกที่สะบงโดนขาโดนขาโดนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแผ่วๆที่เราไม่ได้บังคับหรือไม่ได้บีบแต่ก็มันอยู่ได้ด้วยการแก้อารมณ์นี่แหละนะสนุกสนานในการแก้อารมณนะ์ม้วนนะนะมันม้วนเะนี่ย สนุกในการแจะลมมันได้มันมุ่งเข้ามามันนี้ทําที่ตื่นหนีพอเราชนะมันได้แล้วก็เหมือนกับความเสี่ยงกมก็มีมาความเบิกบานก็มาความขยันก็มีมาและทีนี้การที่กระทบกับมู่คนะกระทบกับทางงอกมันก็แบบตักมาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดความสนุกเกิดความสะพานในการภาวนาอย่างนี้เอออย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ก็มีเนาะไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาพลมันมันก็เห็นสภาพอย่างนั้นเป็นเป็นความ กดข่มบังคับเป็นแบบทําไปร้อยชัดก็ไม่เกิดผลอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกมาศึกษาแบบอย่างนี้อย่างนี้มันเห็นภาพนั้นเลยนะคือไม่ใช่เอาจิ้ริงแล้วสมาธิเป็นั่ออย่างนี้ให้ตื่นตัวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นน่มแล้วสงบแล้วก็ว่าภาพว่าอันนั้นได้สมาธิแล้วไม่ใช่พูดนิ่มนิมนอนนอนไม่ใช่ว่าได้สมาธิแล้วไม่ใช่นะสมาธิคือเรารู้ตัวเราเองด้วยความตื่นตัวแหละคือมันมีสมาธิพอมีเราก็ทบกข์มันตัดได้เร็วขึ้น สมาธิมีความรู้สึกมีสติมีสมาธิอัญญ า, าเกิดตรงนั้น น, นะก็สนุกในการศึกษาการประสบการณ์ที่มันเกิดผลได้ไม่ได้ก็เกิดจากการที่สู้กับจิอวรสู้กับความคิดกับอารมณ์ตัวเองกับความกลัวงเงี้ยบางทีดยนจงกลมอย่า ง, งเงเี้ยความคิดมันเข้ามาหลอกผีจะโผล่มาตรงนั้นนะตรงนี้นะก็กลัวเดิจงกรมไปหยอดงวดหัวแล้วก็กลับมามองบาีพอเดินก็กเลยเ บ, บิกยอง เดินสวนไปสิเดินส่วนไปเดินสวนไปมันบนมัก็บนบนบนบนบนบนบนจะมันพุ่ออกไปอะนะจนมันคิดอ๋อไอ้ที่มันบ่นอะมันบนเรื่องของมันเป็นเรื่องของความคิดแต่เราก็รู้สึกตัวไปเราก็เดินไปมันก็บนไปเรื่องของมันเลยนะก็เลยมีความตื่นตัวก็มีความสัพรามาเรื่อยๆในการภาวนาพอมาเจอประสบอุปสรรคที่มันเบื่อมันซิงมันก็มันนึกถึงประสบการณ์เดิมๆที่เราเคยผ่านมามันก็สัพราอยู่ถึงตรงนี้ตอนนี้เราอาจจะเหมือนกับ เลยพื่อยี่งงอมากเลยเพราวานาไม่ก้าวหน้าเลยแต่ก็ยิ่งศรัทธาที่ผ่านมากระสบกันณ์ทีามาเจงว่าเราต้องขัดตัวบกพร่บบองอะไรแล้วหรือเราต้องติดอะไรแล้วที่ไม่ก้าวหน้าต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อจะเดินต่อได้ดีกว่านี้หรือท่านจะไม่บอกเราแเราก็ได้อยู่ใกล้ท่านเลยเราก็ยังแบบมีความขยันขึ้นมาในระดับเลยระดับหนึ่งมีความเป็นพระนะแต่ว่าการจิตอารมณ์มันก็มีสอบอารมณ์หลายอย่างแต่จริงแล้วมีรูปผีมีจริงหรือเปล่านะ แต่เขาก็ว่ามีผีมีอะไรแต่วานนั้นพระก็เจอเสียงใครมนุษยมาเคาะประตรูนะเปิงเปิงเปิงมันเหมือนคนเคาะนะใครมาเคาะอ่ะพระก็โมโหนะเลยเปิดประตูไปประตูก็แบบพยายามตั้งหลักแบบจะเอ๋ ง, องี้นะก็กลัวนะก็กลัวไม่รู้กลัวสวนมัดเข้าไปหรือกลัวร้องยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เจอนะเนาะกลัวไปก็ไม่เจออะไรก็เจอตุ๊กแต่ขาบคบ ม, มากระโ ด, ดเข้ามา อย่างนี้หรือปล่าที่เขาหลอนๆกันหลอกกันนะอย่างเงี้ยอย่างเี้นะบางทีก็เป็นตุ๊กแกนะตุ๊กแกคางโคกอย่างเงี้ยแต่แล้วก็อ่าผีจริงๆไม่ยังไม่รู้นะแต่พีจริงๆ ม, มันขึ้นมาหลอกจริงๆแหละความคิดนี่ยนะมันจะผู่มาตรงนั้นนะอันนี้จะมีอย่างนี้อย่างนี้มันจะหลอกนะให้เรอกลัวแหละหลาลเรื่องมาขู่เรานะแต่ว่าโดยเราเป็นคนที่อ่อนแอเนาะพื้นฐานก็คือเป็นคนอ่อนแอโดยที่ประมาณว่า มีความเชื่อหรือความมุงมายอยู่แล้วเนาะแต่พอมาปฏิบัติมีความเชข้มแข็งขึ้นไอ้ความคิดมันมาหลอกมาหลอกมาหลอกหายไปแล้วทีนี้เราออกไปประเชิญประสบการณ์ข้างนอกมีคนมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันตัวเดีวยวกันเลยครับอ๋ออารมณ์เดีวยวกันเลยมันจับได้เมบางทีคนมาพูดนะวันนั้นผมเจอท่านอย่างนีนอย่างนี้ประสบการณ์จริงๆนะพอพระออกอารมณ์มาแล้วไปปะจับใจวัดบ้านมีพระอีกนึงเขาพูดถึงเรื่อง ผีแหละตอนที่เราเคย <c oughs> เคยจิดนี่เขาเชื่อใช่ไหมเคยจิบนี่เราเคยเชืเ่อว่ามีผีงนั้นอย่างนี้อยู่ประจํามีพักหนึ่งผู้ที่ฟังว่ามีผมเคยเจอผีอย่นั้นอย่างนี้เราก็ขลุกวูบขึ้นมาแต่มันก็ตั้สติได้วอ๋อประสบการณ์นี้เราเคยเจอตอนที่เราเก็บเราไม่ทำาช่นนี้เองว่าไอ้ที่คาพูดอย่างนี้ที่เขาพูดออกมามันไม่แตกต่างในความคิดที่บุญในหวัวเราทีา่ไม่กลักวเลยนะมัเหมือนกันเลยนะ เขาคิดให้เรามันบ่นให้เราฟังแล้วก็เราก็กลัวกับคนพูดให้เรากลัวนะมันอันดุกันเลยอย่างนี้นะไม่แตกต่างกันเลยอ๋อตั้งสติได้ว่าอันเดุกันเลยมั่นใจนะพั ก, กเลยบอกว่าเลิกเลิกเฉยก็ไม่กลัวนะไหนล่ะพี่มันอยู่ตรงไหนล่ะก็ว่าแค่นั้นเนาะเดยวก็มาเลยอธิบายว่าผมรู้แล้วเป็นยัางนั้นไม่ได้อธิบายนะแต่ก็ว่าเลิกมันอย่งไรล่ะพีอะ่ะก็เหลิกแค่เราหายสงสัยแค่เราเองแต่ไม่รู้ว่าพระหรือเัล่จะยังไงเราไม่รู้แต่เรารู้อย่างนี้นะ นี่คือเป็นความรู้สึกที่ได้เก็บอารมณ์อย่างต่อเนื่องคืออย่างที่เรา ม, มาเก็บกันเน่ยเป็นการเก็บอารมณ์แต่มาก็แบบก็ได้เก็บเหมือนกับเก็บอารมณ์ใช่ไหมแต่เราก็แบบอาจจะอีกแบบหนึง่งเหมือนพ่อพยายามพาเราเคลียร์เนาะเคลียร์พื้นที่เคลียร์ทางเพื่อจะหาที่นั่งนะสองสามวันแรกเป็นการเคลียร์พื้นที่เนาะวันนี้สองสามอสองวันที่ผ่านมาเป็นการเริ่มหาที่อยู่แล้วใช่ไหมหาที่นี่จิบอยู่แล้ว จริจะลงรายละเอียดแล้วงนี้นะนะจะเริ่มเผชิญกับตัวเองจริงๆอย่างนี้ก็พกักกนมีอะไรมากประสบการณ์ก็มีอยู่เรื่อยๆ น, น, นะแต่ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติดโยมทุกๆท่านเนอะอะาะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จากที่ตัวเองมีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ขอให้จเจริญในอาศิลป์นในธรรม ทุกลูกทุกน้ำด้วยกันทุกคนทุกชัานเธน ความเผลอกับความเพลินเนี่ยอันไหนระวังยากอันไหนระวังง่ายกว่ากันความเผลอกับความเพลินอันไหนระวังง่ายไหนระวังยากยมซุนฟอนเผลอทาให้เกิดเพลินหรือเพลินทให้เกิดเผลอ เ, ออเออผลอไม่เกิดเพลินเผลอกัเพลินนี่มาด้วยกันหรือ ม, มาคนละครั้งค น, คนจริงเพลินเนี่ยบางทีเราตั้งเราตั้งใจมันก็เพลินนะแต่เผลอแล้วถ้าเราตั้งใจไม่เผลนนะ พอกันนะถ้าหากว่าเผลอบางทีเราตั้งใจสั่งว่าตั้งใจไปตั้งใจมามันเลื่นมันก็เผลอเลยหรือบางทีถ้าหากตั้งใจเกินไปมันเฟื่อนถ้าไม่ตั้งใจก็เผลอเนะฉะนั้นเองที่ ที่ต้องการตอกย้ําเรื่องนี้ก็เพราะว่าอุปสรรคเบื้องต้นที่ดูมันจะง่ายแต่กับมันเป็นมันเป็นการยากต้องเผลอกับคนส่วนใหญ่แล้วก็ไปแก้ตอนผลของมันเช่นไปแก้ง่วงไปแก้ความคิดระหว่างแก้ความคิดกับแก้ความเผลอเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ากันเราบอกว่าแก้ความคิดน่าจะง่ายกว่าระหว่างแก้ความเผลอแก้ความง่วงอันไหนง่ายกว่ากัน นะแกความวุ่นหรือเตือนคนไหนกัเพื่อนใช่ฮะแก้ง่ายกว่าแกง่ายกว่าแต่ทำไมแล้วมันปวดแล้วแล้วทําไมไอ้สิ่งที่ง่ายกว่าทำไมไม่แกก็เผลอก่อนนะครับออเขเลยเองอ่ะเผอแล้วก็เพินบางครั้งมาด้วยกันบางครั้งมาใครมามันนะบางครั้งมาคู่กันบางครั้งคนข้าเข้ามาติดกันบางครั้งเข้ามาคนละทีใช่ไหมอ่ามันเป็นเพื่อนกันน่ะ มันมันส่งแล้วแต่เราจะมันจะส่งใครมาก่อนบางครั้งส่งเผอมาไม่สําเร็จมันก็ส่งไอ้เผยเข้ามาไอ้เผอเข้ามาซ้ําอีกที่อยู่เลยทีนี้นะเพราะไอ้เผอเข้ามาไอ้เผยเข้ามาขวามง่วงก็มาตามละทีนี้ขวาง่วงมันจะตามแต่เผอมันส่งตัวเผยมาก่อนพอมันเราตามไม่ทันมันก็ส่งไอ้ตัวคิดไอ้ตัวคิดเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาก็สลับกันไปสลับกานมาเนี่ยสับขาหลอกเข้าสับขาหลอกกัน ต้งนั้นเองถ้าเราไม่หลงกลมันก็ทำไงอต้องตื่นตัวอยู่เรื่อยความตื่นตัวนี่มันเป็นมันก็มีเกิดมีดับไหมมีครับมีใช่ไหมตัวตื่นเนี่ยตื่นสักพักมันก็ลุ่มก็อ่อนแล้วใช่ไหมก็อ่อนแล้วก่อนแรงก็ดับล้วก็ปลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับละตัวเพินก็ดับตอนนั้นเองการที่เรา เนี่ยมันก่อให้เกิดความคิดและความคิดกลับมาหลอกเราอีกทีหนึ่งใช่ไหาอยางกลัวผีเนี่ยความจริงเราเผลอก่อนใช่ไหมความเผลอมาเป็นความคิดแล้วความคิดกลับมาหลอกเราอีกชั้นหนึ่งพอหลอกเราเราก็เกิดความกลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดความกลัวคิดแล้วก็ไปทําตามมันเัรนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายไม่ยากแต่ว่าเราพยายามมีประสบการณ์บ่อยๆจนเห็นธรรมชาติของมันว่าอ๋อ ความเผลอก็คือความเกิดรู้ตัวมันก็ดับแต่ถ้าไม่รู้ตัวมันก็เกิดไปเรื่อยๆถ้าสมมุติเราลืมของสักอย่างหนึ่งพอนึกขึ้นได้ของหายแล้วพอจะนึกได้ของหายแต่ตอนเผลอนี่เราไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนถ้าเราไม่เผลอของมันก็จะไม่หายนะ ทีนี้มันเป็นหลายๆครั้งทำไงเป็นหลายๆครั้งมันก็เสียหายหลายๆคราวนะตัวภาวะจิตที่ปกติคือมันรู้อยู่แต่พอเผลอปั๊บปกติมันหายปกติมันดับไปแต่พอหายเผลอจิตก็มาปกติใหม่อันมีลักษณะของการเกิดและการดับมันมีเกิดแล้วก็มีดับแต่ถ้าหากว่าการเกิดมันยาว การดับมันสั้นอันนี้ก็คือปัญหาแต่ถ้าการเกิดมันสั้นการดับมันมาทันมันก็อย่างซุกมาเราเผลอนิดหนึ่งเรารู้สึกตัวล้วก็เอาของนั้นกลับคืนมาได้แต่เผลอยาวจนคลจะนึกได้ของอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เสียหายแล้วนะเหมือนกันเร้วเผลอคิดอ้าวความปกติมันหายไปตั้งนาน คนนึกขึ้นได้ปกติอ้าวความปกติเพิ่งมาเพราะความเผลอมันหานไปนะเพราะนั้นะเรื่องนี้มันเป็นหาเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวแล้วก็เรามักจะลืมมันแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่ก็จึงอยากจะให้เราดูแลเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นถ้าเราจัดการเรื่องเหล่านี้ได้มันเป็นเรื่องง่ายนะ มันจะได้จะเสียจะถูกจะผิดจะอะไรเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเนี่ยมันจะเข้าไปคิดเข้าไปดีใจเข้าไปเสียใจกับสิ่งที่เป็นสมมติว่าหรือว่าถูกว่าผิดแต่ถ้าหากว่ามันมีการเผลอมีการถูกกันผิดการเพลินแต่เราไม่ไปดีใจเสียใจกับมันแม้แต่เราจะเสียของมันก็กลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งจิตของเราซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาถูกปิดซ้ำซาเผอดับเผอเพลินซ้ำซาดอย่างเงี้ยจนเห็นมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นมันเป็นเรื่องปกติเราก็ยังเป็นทุกข์เศร้าหมองกับมันอยู่แต่ถามว่าถ้าเราไม่มีประสบ ก, การณ์มากๆเนี่ยไอความรู้สึกเศร้าหมองกับสิ่งเหล่านี้มันยังเกิดอยู่ไหมต้องเกิดแน่นอนต้องอาศัยมันเป็นบ่อยๆ นะเหมือนเราเขียนหนังสือเนี่ยถ้าหากเราไม่เขียนมันบ่อยๆมันก็ลืมทีนี้เขียนไปเขียนมอเขียนทุกวันเขียนซ้ําๆทีนี้ทำเท่าเกินเท่าไหร่มันก็ไม่ลืมแล้ะมันก็เขียนได้เหมือนเดิมมาแล้วเอเขียนไปเขียนมาลืมมันเขียนว่าอย่างไงนะกอไก่เนี่ยไม่เคยเป็นละพ้องเขียนมาทุกวันนะัม้นั่นเองเราอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวการเผลอการเพลินแต่ว่าคอยและลึกให้ไวเผลอแล้วก็แล้วไปเพลินแล้วก็แล้วไปคอยและลึกให้ไวในช่วงที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็คอยลึกได้ไวเผลอเพลินไม่นานแต่เวลาเราออกไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะเผลอและจะเพลินเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่ดึงออกแล้วก็ความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่ยังไม่มั่นคงพอ เวลามีอะไรดึงออกมันก็ไปกับสิ่งนั้นนั้นเวลาเราไปที่ไหนไปอะไรกับใครเนี่ยการที่จะมารู้ตัวตลอดเวลาว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยยากมากยากแต่มันก็ไม่พ้นจากการฝึกฝึกเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าถึงยากขนาดไหนเรายิ่งยากเราก็ยิ่งระวังตัวยิ่งยากเราก็ยิ่งระวังตัวอันนี้คือประสบการณ์ที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าหากว่าเรามีวิบากกรรม คือหมายความว่าเข้าไปอินกับเหตุการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งในสิ่งที่เราชอบตรงนั้นมันก็จะเป็นวิบากที่เราจะต้องได้รับนะถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์อย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็จะไม่ไม่เกิดการรู้ไม่เกิดการเห็นความเป็นจริงในที่สุดเรามายอมรับถึงข้อบกพร่องข้อด้อยข้ออ่า ผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ประมาทเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยถ้าพวกเราประมาทไอ้ข้อผิดพลาดข้อเผลอข้อเพลิน ข, ข้อทุกเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆเมื่อเราเห็นว่าทุกมันเกิดบ่อยๆเพราะเหตุเหล่านี้ปั๊บเราก็พยายามทําบ่อยๆเพราะรู้ว่าทําบ่อยๆข้อระลึกบ่อยๆมันจะเป็นลดเหตุของทุกขคือเรื่องเผลอเรื่องเพลินเรื่องคิดลงความสบายหรือความปกติมันก็มีมากขึ้น ความทุกข์มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งเราเห็นว่าเมื่อเรากระตุ้นความรู้สึกตัวให้ตื่นมากเท่าไร่ความเผลอความเพลินความง่วงความคิดมันก็น้อยลงไปเท่านั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาจะให้ภาวะนั้นกลับขึ้นมาเราก็ต้องฝึกจนลักษณะการตื่นตัวเนี่ยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าจะต้องฝึกกันตลอดชีวิตก็ยอมเพราะเราได้เห็นผลว่ามันเป็นผลดีถึงแม้จะยังไม่ร้อเปเซก็ดีกว่าเราไม่พยายาม แต่ถ้าเราไม่พยายามอะไรเลยทั้งที่เรนรู้เนี่ยชีวิตของเราก็จะได้รับผลทั้งที่เรารู้ว่ามันมาจากอะไรนะแล้นั้นเองก็การมาฝึกพร้อมซ้อมใจอยู่กับการปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเป็นไปตามคําสอนของพระศาสดาดีกว่าเราไปใช้ชีวิตเป็นเรื่องอื่นที่มันทำให้เผลอและเพลินได้ง่ายแต่พอเรามาใช้ชีวิตในด้านนี้ความเผลอความเพลินมันมีเยวกวาจริง แต่ว่าเราก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะเราฝึกกุบายเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาความสบายปรารถนาความไม่ทุกข์แต่เมื่อมีเหตุที่เรารู้อยู่ว่าคนจะแก้ไขยังไงเราไม่แก้อันนี้แหละถือว่าเป็นความาเป็นความอาภัพอาบโชคม่ว่างังเลยนะแต่ถ้าเรารู้ว่าคำสอนของพระศาสดาทุกขบวนการขั้นตอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการที่จะให้เราไม่ทุกข์เนี่ย ทำไมเราไม่พยายามนะเรื่องอย่างอื่นเรื่องสนุกสนานเรื่องเป็นไปนตามความอยากเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่าผลมันเป็นทุกข์แต่ทำไมเราจึงละมันยากอทั้งๆที่ว่ายิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์แต่เราก็ยังไม่ไม่ทิ้งอยากแต่ถ้ายิ่งไม่อยากเราก็ยิ่งไม่ทุกข์แต่เราก็ยังทำไม่เคยได้อันนี้เป็นเพราะอะไรนะ เราบอเอพอพรสติปัญญาไม่พอแล้วสติปัญญาทำไงให้มันพอเราก็ถึงมาทำอย่างนี้ไงมาทาตัวสติให้เกิดขึ้นตัวสมาธิให้เกิดขึ้นํำความรู้สึกตัวเนี่ยให้ชัดขึ้นเรื่อยๆทุกเวลาทุกนาทีทุกอิียาบทถ้าใครขยันทำมันก็มีโอกาสที่จะไปลบล้างความเพลิความเพลินได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเก็บอบดมเต็มที่ทุกกลุ่ม แต่ว่าคนอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเก็บนะเพราะคนเหลือน้อยคนสักสามสี่คนก็ถือว่าอยู่คนละมุมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พูดคุยกันละแล้วคนที่อยู่จุดต่างๆก็ถือว่าให้ให้มีโอกาสได้ต่อสู้ด้วยตัวเองเต็มที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงนะแล้วใครแพ้ใครชนะใครขาดทุนใครกําไรก็รู้เอาเองนะวันสุดท้ายเราจะมาเราจะมานับเงินใส่กันว่าใครได้ใครเสียนะีมันเรื่การพนันมานั่นนะ ใครได้เท่าไหรใครเสียเท่าไรก็จะร่วนพรุ่งนี้นะโมะลืนนี้แหละนีโมลือนี้ตั้งแต่ช้าเอาไปถึงเพลเนี่นะเราก็จะมีการประมวลประเมินผลก็วิจัยร่วมกันที่ใช้ช่วงเช้าถึงทานอาหารนี่ก็แบบหนึ่งเราจะทานอาหารไปถึงปฏิบัติสภาพั้นทานอาหารไปถึงเพนก็แบบหนึ่งเราตั้งใจว่าวันยี่เ็ดเราก็ปิดโปรแกรมแล้วก็ทานเพนแล้วก็หลังเพนแล้วก็ปิดโปรแกรมกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ ได้เราได้อีกเต็มวันแต่ว่าในช่วงกลางอาจจะมีกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมสำคัญของประเทศซึ่งก็ทางฝ่ายเจ้าภาพก็ได้เตรียมอะไรแต่ก็ไม่มากเกินไปพ อ, อสมควรนะพอสมควรสนะ่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะพรุ่งนี้เช้าเราเคยแจ้งกันนะแต่คงไม่มีอะไรเออกระหรับแบบที่เขาทำกันไปทางการเราทำฉบับย่อๆแต่เราทาฉบับจริง ก็คือการวาวอุทิศกุศลไม่เพียงแต่ราชาการที่เราเราก็ทมาทุกราชาการตัเป็นการราชาการที่1ที่2ที่3าที่4มาเรื่อยๆเพราะทุกราชาการก็มีคุณต่อต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินของเราล้วก็ทาให้โดยการมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยวันที่เราทำเนี่ยก็เพื่อ ง, งานอย่างนี้ด้วยแล้วก็ได้ด้วยท่านก็ได้ด้วย ก็ เ, เป็นประโยชน์ซึ่งต่างกับเขาทำโดยทั่วไปที่เขารอที่จะไปจุดไม้จุดอดอกไม้จันถวายพระเพลิงเขาก็ไปทำตามพิธีแต่ถามว่าสาระที่แท้จริงก็คือการมาเผากิเลสของตัวเอง เ, เราได้ชาปณะขนจะิดกิเลสของตัวเองบ้างไหม เขาที่ไปทําเขาก็ไม่ได้ทํากันนะแต่บางกลุ่มบางคนที่เขาทําอย่างเราเนี่ยเขาก็ได้ชาพนักกิจตนเองชาวพนักกิจกิเลสตัวเองคือเผากิกเลส เ, เราเพียนเผาตลอดเวลาเนี่ยเราไก็จะไปจ้องเผาตลอดตามวิธีเท่านั้นเราเผามากี่วันลนะทำไมตั้งแต่วันที่40 21แล้วเนะหมดได้อย่างที่เผามาเนี่ยนะต้องเผาไปอีกหลายชาติท <laughs> าไม่ได้หมดถ้าไม่หมดงานนี้งานหน้าเผาอีกนะ มันก็เผาป่าไม่หมด ท, ทีไฟก็ไม่ทุกปีไม่ป่าจะไม่เคยหมดเลยนะเพอไปไม้มันหล่นมาทุกปีกิเลสมันก็หล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เผามันทุกคอ่ะจนกว่าจะหมดนะเพราะฉะนั้นเองก็พิธีกรรมของเราคือพิธีกรรมเพื่อรรเผากิเลสนะว่าตะบะคือความอดกลัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉนะงนั้นก็เราก็คงจะทําพิธีเผาแบบสมมุติที่เป็นรูปธรรมด้วย เผาแบบที่เป็นปรมาทิพย์ น, นั่นรรมาทำด้วยนั่นามาทำที่เผาอยู่เนี่ยมันก็ได้ผลกับตัวเราเองทําให้เราเป็นคนสงบคนเย็นคนขยันหมั่นเพียรเราถ้ เ, าเกิดใหม่เหมือนกับเราเผาป่าพอถึงเวลาฝนลงมามก็ได้เกิดงอกใหม่อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะแล่นก็ขันโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะเผากิเลสต่อไป จนหมดสิ้นด้วยกันทุกคนทุกท่านเี้นอ่ะับครับอคบระหังสัมมา